บทที่48เข้าพบนายกรัฐมนตรีขค้นวันผันผ่านไปอีกสองปีรวมเวลาที่หนุ่มเจริญมาอยู่บังกอกสี่ปี กลับไปเยี่ยมยายเพียงครั้งเดียวและคืนเดียวหากก็เป็นการกลับที่คุ้มค่าเพราะได้สมบัติมากมายมีทั้งเงินและหอ่อทองคำรวมมูลค่ากว่าร้อยช่างป่านี้ป้าเหรียญคงขายสมบัติที่เป็นส่วนแบ่งเหล่านั้นหมดไปแล้วเพื่อนำเงินไปซื้อเหล้ากินหรือถ้าไม่หมดก็คงเหลือน้อยเต็มที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 ล้วนนามาซึ่งความย่อยแยบแห่งโภคทรัพย์ทั้งสิน้นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนช่างเป็นสัจธรรมทา้าทายต่อการพิสูจน์ทุกเมื่อถึงจะเกลียดพระแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ยายไม่เคยเรียนหนังสืออย่างเชื่อตัวเขาเรียนพุทธประวัติเรียนหลักธรรมคาสอนของพระพุทธองค์และนําไปใช้ได้ผลมาแล้ว โดยเฉพาะคาถากรรณะเมตสูตรซึ่งได้ผลทันตาเห็นเป็นที่อัศจรรย์ใจยิ่งนักเมื่อไม่นานมานี้เขาได้ช่วยคุณประพ์สมหวังในความรักกับลูกสาวข้าหลวงจังหวัดทนบุรีคุณบุญพร้อมเป็นสตรีสาวสวยวัย18ปตาดำผมดำตัดกับผิวสีขาวราวกับดอกมะลิ คุณประพศคลั่งคล้ายไหลหลงจนกินไม่ได้นอนไม่หลับพร่ำรำพันถึงความงามของคุณบุญพร้อมว่าช่างงามเหมือนกับนางในวรรณคดีที่ชื่อสกุลตลาซึ่งกวีได้พรรณนาไว้ถึงความงามไว้ว่าดูผิวสินวลละอองอ่อนมาลิซ้อนดูดำไปสิน้นสองเนตรงามกว่ามรุคินนางนี้เป็นปิ่นโลกา ส่วนคุณบุญพร้อมนั้นจะมีเยื่อใยไมตรีให้คุณประพ์ก็หาไม่คงจะคิดว่าตัวเองสวยและสงสักมีบุรุษหมายปองหลายคนจึงออกจะยิ่งยิงหนุ่มเจริญทนไม่ได้เมื่อเห็นคนที่เป็นทั้งเพื่อนและญาติภายพร้อมหมดสง่าราศีจึงสอนคุณประพ์ให้สวดคาถากรณียเมตสูตรทุกคืน แล้วเมื่อพบหน้าคุณบุญพร้อมก็ให้ท่องในใจเพราะ บ, บทที่ว่าเมตตันจะสัพพโลกัสมิงมานะสัมภาะเยอปริมานังแม้ไม่เชื่อทว่าคุณประพ์ก็ทำตามด้วยเห็นว่าไม่มีทางอื่นให้เลือกพ้นปรากฏออกมาว่าชั่วระยะเวลาเดือนเดียว คุณบุญพร้อมก็ยอมทอดไมตรีให้หลานชายหลวงทาราคุณประพศ์เริ่มมีหวังหากก็ยังมีอุปสรรคเพราะท่านข้าหลวงหวงลูกสาวราวกับงูจงอางหวงไข่คุณประพศ์จึงได้แต่ไปเดินวนรอบๆรั้วบ้านกระนั้นก็ถูกสุนัขสามตัวที่ท่านข้าหลวงเลี้ยงไว้วิ่งโกรกันเข้ามาจากัดจนชายหนุ่มต้องวิ่งหนีกระเจิดกระเจิง หนุ่มเจริญผู้สันทัดในอุบายทั้งปวงจึงขันอาสาไปด้วยเมื่อสุนักวิ่งเข้ามาคนเจ้าอุบายก็โยนลูกชิ้นเนื้อไปให้มันทำอย่างนี้อยู่สองสามครั้งเจ้าสุนักดุทั้งสามตัวก็ยอมเป็นมิตรด้วยครั้งที่สี่พอเห็นเขากับคุณประพ์เดินมาแต่ไกลพวกมันต่างก็พากันวิ่งมารับหน้าและคงจะถามตามภาษาสุนัขว่า วันนี้เอาลูกชิ้นมาฝากหรือเปล่านอกจากวันใดที่ท่านข้าหลวงและคุณนายไม่อยู่บ้านเจ้าสามตัวจะวิ่งนำสองน่มเข้าไปส่งถึงห้องคุณบุญพร้อมถ้าใครฟังภาษาสุนักเป็นก็จะได้ยินมันพูดว่าเข้ามาเถอะผมจะพาส่งถึงห้องนายเลยพ่อแม่เข้าไปธุระข้างนอกพวกผมจะช่วยดูต้นทางให้ ด้วยเหตุนี้คุณประพศจึงคลายโศกกลับมามีความสุขดังเดิมและดูจะมีมากขึ้นกว่าเดิมเสียอีกชั่วเวลาสองปีเศษที่หนุ่มจเจริญมาอยู่ด้วยคุณโกสงทั้งรักและเมตตาชายหนุ่มและที่เหนือกว่าความรักก็คืออยากได้เข้ามาไว้เป็นบุตรเคยแม่รัตนาของเรา ได้แต่งงานกับพ่อเจริญดิฉันคงตายตาหลับพ่อหนุ่มคนนี้หากผู้หญิงคนใดได้เป็นสามีก็เย็นใจได้หรือคุณพี่ว่ายังไงคุณโกสมปารบกับครูสอนในเย็นวันหนึง่งแล้วแต่แม่โกสมเธอข้างฝ่ายฉันไม่ขัดข้องหรือขัดขวางแต่ก็ขอเตือนว่า อย่าให้มันน่าเกลียดจนเกินไปนะักครูสอนบอกภรรยาน่าเกลียดยังไงคะก็ฝ่ายเราเป็นผู้หญิงไปแสดงออกหน้าออกตามากไปมันไม่งามแม่รัตนาแกจะคิดว่าเราสองคนทำอะไรน่าเกลียดจะน่าเกลียดหรือน่ารักเราก็ทำเพื่อแกดิฉันว่าลูกคงไม่กล้าคิดอย่างนั้น คุณโกสมเข้าข้างตัวเองแต่ว่าเด็กเขาชอบพอกันหรือเปล่าฉันไม่อยากให้เป็นการครุ่มถุงชนเราต้องให้โอกาสเขาเลือกโดยตัวของเขาเองข้อนั้นที่ฉันก็เห็นด้วยพ่อเจริญเธอก็เป็นคนกะตัญยูรู้คุณคนเมื่อรู้ว่าเป็นความประสงค์ของเราก็คงไม่ขัดข้องแม้รัตนาของเราก็เช่นกัน แต่ถ้าเด็กมันไม่เดรักไม่ได้ชอบกันก็เท่ากับไปบังคับเขาในฐานะเป็นผู้ใหญ่ฉันว่าเราจับตาดูไปเงียบๆดีกว่าถ้าคนเขาอุปถัมภ์คำจุนกันมาก็คงไม่คลาดแคล้วต่อกันครูสอนพยายามวางตัวเป็นกลางถ้าเช่นนั้นก็ตามใจคุณพี่ก็แล้วกันดิฉันเป็นช้างเท้าหลัง จะพูดจะตัดสินใจอะไรก็ต้องแล้วแต่คุณพี่ภรรยาพูดแกมประชดครูสอนไม่ใส่ใจกับคำประชดประชันหากพูดเป็นการเป็นงานว่าสิ่งที่ฉันเป็นห่วงก็คืออาชีพของพ่อเจริญจริงอยู่เธอเก่งทางดนตรีไทยแล้วก็สามารถยึดเป็นอาชีพได้แต่แม่โก้สมก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้ คนไทยพากาันนิยมดนต ร, รีฝรั่งในอนาคตพวกนักดนตรีไทยอาจจะตกที่นั่งลำบากฉันจิงอยากให้เธอมีอาชีพหลักแม่โกส้สมจะว่ายังไงหากฉันจะฝากเธอเข้าเรียนตำรวจก็ดีค่ะแม่รัตนาของเราจะได้เป็นคุณนายดิฉันเชื่อว่าพอจเจริญจะเป็นตำรวจที่ดีแล้วก็ซื่อสัตย์ว่าแต่คุณพี่มีพักพวก พอที่จะฝากได้หรือคะฉันว่าจะพาไปฝากกับจอมพลแปลกกอฉันเคยรับใช้มาตั้งแต่ท่านเป็นพันตรีพิบูรณ์สงครามท่านเป็นคนใจดีคงไม่ปฏิเสธอีกประการหนึง่งคนของเราก็มีคุณสมบัติครบถ้วนฉันว่าท่านน่าจะดีใจสิอีกที่จะได้มีคนดีไว้รับใช้บ้านเมือง ดังนั้นหนุ่มเจริญจึงถูกเรียกเข้าไปพบครูสอนในตอนเย็นของวันรุ่งขึ้นพอเจริญอยากเป็นตำรวจไหมหนุ่มวัย20อยากจะตอบว่าไม่แต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนใจถามผู้เป็นครูว่ามีอะไรเหรอครับคือฉันเห็นว่าเธอน่าจะมีอาชีพหลักที่สามารถเลี้ยงตัวได้ตลอดไปผมก็ตั้งใจจะยึดอาชีพเล่นดนตรีไทย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 ได้ยินชื่อจอมพลแปลกซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีขณะนั้นนมเจริญหวนนึกถึงเพลงพันตรีพิบูร์สงครามซึ่งเขาร้องติดปากมาสมัยเมื่อตอนเป็นเด็กพันตรีพิบูร์สงครามพันตรีพิบูร์สงครามยกเป็นนามชาติไทยเกียรติศักดิ์อันสูงสุดอย่าลืมบรรพบุรุษของไทย พันตรีพิบูร์สงครามครูรู้จักท่านหรือครับคนถามตื่นเต้นระคนดีใจรู้จักสิท่านเป็นคนดีมากเป็นวีรบุรุษของชาติชนะเมื่อก่อนฉันก็เป็นทหารอยู่กับท่านแล้วก็ลาออกมายึดอาชีพสอนดนตรีไทยแม่โกสุนเขาไม่อยากให้ฉันเป็นทหาร ครัรววเวลาออกศึกสงครามคงจะเป็นห่วงจนไม่เป็นอันกินอันนอนฉันก็เลยต้องตามใจเขาครูสอนเล่าถึงความเป็นมาของตนครูจะพาผมไปเมื่อไรครับถามอย่างกระตือรือร้นไม่ใช่เพราะอยากจะเป็นตำรวจทว่าอยากพบวีรบุรุษของชาติที่เขาแอบชื่นชมสมณนันตบรรแต่ยังเป็นเด็ก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 บ้านจำพลแปลกอยู่อำเภอพญาไทเช่นเดียวกับบ้านครูสรหากก็ต่างกันตรงที่บ้านของนายกรัฐมนตรีอยู่ใจกลางเมืองขณะที่บ้านครูสร อ, อยู่ลึกเข้าไปในสวนการเข้าหาคนสำคัญระดับชาติไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะจะต้องมีการสอบถามว่าเป็นใครมาจากไหนต้องการพบท่านเดยเรื่องอันใด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 ซึ่งยกมือรับไหว้แล้วบอกให้คนทั้งสองนั่งบนเก้าอี้ไปยังไงมายังไงและแม่โกสุมสบายดีหรือสบายดีขอรับเธอคงดีใจที่ใต้เท้ายังจำเธอได้ครูสอนพูดอย่างยินดีปรีดาที่คนเป็นนายกรัฐมนตรียังจำเขาและภรรยาได้แล้วนี่มากับใครละ่ะลูกชายหรือ ไม่ใช่ขอรับเขาชื่อนายเจริญจรุนรับเป็นลูกศิษย์ของกระผมอ๋อท่านพยักหน้าเป็นเชิงรับรู้และจึงถามอีกว่าเป็นอะไรกับหลวงทาราหนุ่มวัยยี่สิบรู้สึกใจพองคับอกที่ผู้นำของชาติรู้จักคุณปู่ของเขาจึงตอบด้วยเสียงที่ค่อนข้างสั่นว่าเป็นหลานชายขอรับ คุณพ่อของกระผมเป็นบุตรของท่านงั้นหรือคุณหลวงท่านตีระนาดเก่งมากนะทราบว่าเคยตีระนาดถวายในหลวงราชการที่หกเวลาที่พระองค์ทรงโขนอย่างนั้นใช่ไหมคุณพ่อเคยเล่าให้กระผมฟังอย่างนี้ขอรับชายหนุ่มตอบแล้วเธอละ่ะดําเนินรอยตามคุณปู่หรือเปล่าท่านถามอีก พ่อเจริญเขามีฝีมือไม่แพ้คุณหลวงเลยขอรับใต้เท้าความจำก็เป็นเลิศกระผมตอเพลงแขกลบบุรีให้เที่ยวเดียวเขาก็จำได้แล้วก็เล่นได้อย่างไพเราะเพราะพริง้งครูสอนชมผู้เป็นสิทธ์ซึ่งเท่ากับชงตัวเองในเวลาเดียวกันคุณปู่ท่านยกวงปีพาดเครื่องคู่กับมโหรีวงเล็ก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 ฉันคงช่วยไม่ได้มากในสอนก็รู้ว่าฉันมีตำแหน่งเป็นผู้นำของประเทศชาติจึงต้องรักษาความยุติธรรมถ้าผู้นำเกิดลาเอียงเสียแล้วใครเขาจะนับหน้าถือตาคิดว่าในสอนคงเข้าใจและเห็นใจฉันนะบุรุษสองคนที่นั่งฟังอยู่เกิดความนึกคิดที่แตกต่างกันคนมากวัยกว่าเข้าใจว่า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 ปรับดีใจที่บุญภาวาสนาส่งให้ได้มาพบวีรบุรุษของชาติมีบุคลิกงามสง่าชวนมองน้ำเสียงที่พูดเฉียบขาดแบบทหารหักแฝงไว้ด้วยเมตตาปรานีไม่ทราบว่าเขาจะเปิดสอบกันเมื่อไหร่ใต้เท้าพอทราบไม่ขอรับครูสอนถาม คงเป็นเดือนหน้ากระมังเอาเป็นว่าฉันจะช่วยส่งข่าวเรื่องนี้ให้ส่วนการสอบเธอต้องใช้ความสามารถของตัวเองประโยคหลังทัดนพูปกับนมวัยี่สิบขอรับกระผมจะพยายามสอบเข้าให้ได้ชายนมรับคำจากนั้นทั้งครูและลูกศิษย์ก็พากันลากลกับครั้นเดินออกมาพ้นรัศมีของบ้านแล้ว คนเป็นสิทธิ์จึงพูดขึ้นว่าจอมพลแปลกท่านเป็นคนตรงดีนะครับผมดีใจที่ท่านไม่รับปากจะช่วยผมเรื่องสอบแต่ฉันว่าท่านต้องช่วยคนเป็นผู้ใหญ่เขาไม่ตกปากรับคําใครง่ายๆหรอกต่อไปวันข้างหน้าเธอเกิดได้เป็นใหญ่เป็นโตจงเอาเยี่ยงอย่างท่านอย่าเที่ยวไปรับปากรับคาใครเขา เพราะหากทำไม่ได้อย่างที่พูดจะเสียคนเรื่องนี้สำคัญมากอีกประการหนึ่งที่ฉันอยากจะบอกกับเธอก็คือจงรู้ธรรมชาติของมนุษยว่าถ้าเขาพึ่งเราได้เขาก็ว่าเราดีแต่ถ้าเราให้เขาพึ่งไม่ได้เขาก็ว่าเราไม่ดีเพราะฉะนั้นเธอจงอย่าหวั่นไหวในโลกธรรม ใครเขาจะว่าเราดีหรือว่าเราชั่วก็ชังเขาจงหมั่นตรวจสอบตัวเองเป็นนิดหากมีอะไรที่บกพร่องก็ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่าไปหลงติดอยู่กับคำสรรเสริญเยินยอครับผมจะจดจำและนำไปปฏิบัติผมอยากเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองชายหนุ่มพูดหนักแน่นทั้งน้ำเสียงและกิริยาท่าทาง